การที่พวกเรามาวัดกันมาทำบุญกันมาฟังเทศฟังธรรมกันเพราะว่าเรามีความเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สรงสอนให้พวกเราทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เพราะจะนำความสุขนำความดับของความทุกข์ให้กับเราสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนเป็นความจริงทุกประการไม่มีคําสอนคําใดของพระพุทธเจ้าที่ไม่ใช่เป็นความเป็นจริงแต่ ผู้ที่ฟังอาจจะยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ที่จะเห็นได้ก็อาจจะไม่เชื่อหรือว่าถ้าเชื่อก็ยังไม่มั่นใจเพราะยังไม่ได้เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนนั่นเองการที่จะเห็นได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติมีการพิสูจน์ถ้าไม่มีการพิสูจน์ความเชื่อก็จะเป็นความเชื่อที่ยังไม่มั่นคงอาจจะเสื่อมได้ถ้าไปมีความรู้สึกหรือมีการได้ยินได้ฟัง สิ่งที่อาจจะมาขัดกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็เลยอาจจะทําให้เกิดความไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้มีจริงหรือไม่เป็นจริงหรือไม่แต่ถ้าเราได้ศึกษาและได้ปฏิบัติได้พิสูจน์ ได้เห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าส่งนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนเราก็จะเชื่อได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์เราจะไม่มีความลังเลสงสัยเราจะไม่เกิดความเสื่อมศรัทธาถ้ามีใครมาพูดมาแย้งว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เราถ้าเราได้ปฏิบัติเราได้พิสูจน์แล้วเราก็จะได้เห็นได้รู้อย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ในเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้ไปถึงการที่จะมีความเชื่อมั่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เราต้องอาศัยความเชื่อมั่นความเชื่อที่เราคิดว่ามีเหตุมีผลออแล้วพอเรามีความเชื่อเราก็จะได้มีการไปพิสูจน์ต่อไปถ้าเราเริ่มต้นที่การไม่มีความศรัทธาหรือไม่มีความเชื่อเลย เราก็จะไม่ต้องไปพิสูจน์เพราะเมื่อเราไม่เชื่อแล้วว่าเป็นความจริงเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปพิสูจน์แต่ถ้าเราเชื่อเรายังต้องไปพิสูจน์อยู่เพราะความเชื่อของเรายังไม่ได้เป็นการเห็นความจริงนั่นเองเป็นการเชื่อจาก คำพูดของผู้อื่นเช่นคำพูดของพระพุทธเจ้าคำพูดของพระอริยสงสาวกทั้งหลายแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงตัดสอนไว้ว่าไม่ให้เชื่อตามกันมาในการละมัสูตรในทรงสอนว่าอย่าไปเชื่อตามที่เขาพูดกันตามที่เขาเชื่อกันหรือตามที่เราคิดว่า น่าจะเป็นตามที่เขาพูดนะแต่ให้เชื่อเพื่อนาเอาไปพิสูจน์นะแต่ไม่ให้เชื่อแบบเฉยๆเชื่อแบบงมงายไม่ได้เชื่อแบบที่ไม่ได้ไปพิสูจน์นะเพราะถ้าเรายังไม่ได้พิสูจน์นี้เราจะไม่มีความมั่นใจเช่นถ้าเราได้ทองคำมา แต่เรายังไม่ได้ไปพิสูจน์ว่าเป็นทองแท้หรือเป็นทองปลอมเราก็ยังไม่มีความมั่นใจถ้ามีใครมาทักว่าทองนี้เป็นทองเก๊เราก็จะเกิดความไม่มั่นใจขึ้นมาแต่ถ้าเราเอาทองที่เราได้มาไปพิสูจน์ไปหาผู้ที่รู้วิธีพิสูจน์เช่นร้านขายทอง เขาจะรู้ว่าทองแท้กับทองทองเกเป็นอย่างไรถ้าเราไม่มีความมั่นใจเราก็ต้องไปหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการพิสูจน์ว่าทองคำนี้เป็นทองแท้หรือเป็นทองเกพอเราไปให้เขาพิสูจน์แล้วเขายืนยันว่าเป็นทองแท้หรือเป็นทองเก ดีนี้เราก็จะได้รู้ทันทีรู้อย่างมั่นใจถ้ามีกครมาบอกว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็จะไม่ไข้เควเช่นถ้าเราเอาทองไปพิสูจน์ที่ร้านแล้วก็บอกเป็นทองแท้เขารับซื้อถ้าอยากจะซื้อเขาก็ถ้าอยากจะขายเขาก็จะซื้ออย่างนี้เราก็รู้ว่ามันเป็นทองแท้แล้ว แล้วถ้าเกิดมีใครมาทักว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นทองแท้เราก็ไม่ไขว้เขวเราก็จะไม่รู้สึกอไม่เชื่อตามเขาแต่ถ้าเรายังไม่ได้เอาไปพิสูจน์นี่เราก็ไม่รู้ว่าแท้หรือไม่แท้ถ้าใครก็มาทักมันก็อาจจะทําให้เราเอไขว้เขวได้ทําให้เราไม่มั่นใจได้อย่างนั้น สิ่งที่เราต้องทำหลังจากที่เรามีความเชื่อว่าเป็นความจริงเราก็ต้องเอาไปพิสูจน์อีกทีหนึ่งเขาให้ทองคำมาเราเชื่อว่าเป็นทองทองแท้เราก็รับมาถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่รับถ้าเราไม่เชื่อว่าเป็นทองแท้เราคิดว่าเป็นทองเก๋เราก็คืนเข้าไปดีกว่าเสียเวลาเปล่า ถ้าเราเชื่อว่าเป็นทองแท้เราก็ยังต้องเอาไปพิสูจน์อีกทีหนึ่งก่อน <Yeah. S 1> เมื่อได้รับการพิสูจน์แล้วทีนี้เราได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นทองแท้เราก็จะมีความเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตจะมีใครมาพูดว่าไม่ใช่เป็นทองแท้กี่คนเราก็ไม่สนใจอันนี้ก็เหมือนกัน สิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งสอนนี้เป็นเหมือนทองทองแท้มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อจิตใจของพวกเราโดยถ่ายเดียวคำสั่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เรานำเอาไปปฏิบัตินี้จะนำแต่ผลดีมาให้แก่จิตใจคือจะนำความสุขความจเจริญมาให้กับจิตใจ จะกำจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดไปจากใจของพวกเราแต่การที่เราเชื่อเพียงอย่างเดียวนี้เราก็ยังไม่มั่นใจเพราะเรายังไม่ได้พิสูจน์ว่าจริงหรือไม่ว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนี้จะให้ประโยชน์กับเราเพียงอย่างเดียว จะไม่มีโทษแต่อย่างใดเราก็ต้องเอาไปพิสูจน์กันวิธีจะพิสูจน์คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติคือปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้พระพุทธเจ้าทรงสอนสข้อใหญ่ๆ ใ, ในเรื่องของการกำจัดความทุกข์ ในเรื่องของการสร้างความสุขให้กับจิตใจถ้าเราเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้เห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติเมื่อเราเห็นผลแล้วทีนี้เราก็จะเชื่อร้อเปอร์เซจะมีใครมาพูดว่าไม่ใช่เป็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็ไม่ รู้สึกไข้เขวแต่อย่างใดเราจะมีความมั่นใจในการที่เราจะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือเรื่องของศรัทธาที่จะนำไปสู่ปัญญาศรัทธาคือความเชื่อปัญญาคือความรู้จริงเห็นจริง กอนที่เราจะไปสู่ความรู้จริงเห็นจริงได้เราต้องอาศัยความเชื่อก่อนเราต้องมีความเชื่อเพราะสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้ก็น่าเชื่อเช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการกระทำบาปจะทำให้ใจเราทุกข์การทำบุญจะทำให้ใจเราสุขการ ชำระใจการตัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้น้อยลงไปให้หมดไปจะทำให้ใจของเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นจะทำให้ความทุกข์ของใจเราน้อยลงไปเมื่อเราฟังแล้วเรามาเปรียบเทียบดูกับชีวิตของเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา มันก็ดูแล้วมันก็มีความคล้ายคลึงกันเวลาเราทำบาปเราจะรู้สึกไม่สบายใจเวลาเราทำบุญเราจะรู้สึกมีความสุขใจเวลาที่เราตัดความอยากออกไปจากใจได้ใจเราจะรู้สึกล่องอกล่องใจเบา อ, อกเบาใจขึ้นมา อันนี้ถ้าเรามีความเห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่งสอนนี้เป็นความจริงแต่เราอาจจะยังไม่เห็นแบบร้อยเปอร์เซนต์เราก็ต้องเอาไปพิสูจน์ต่อเอาไปปฏิบัติต่อเพราะนอกจากการที่เราจะาตัดความทุกข์ ให้น้อยลงไปสร้างความสุขให้มากขึ้นไปเรายังจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องจิตใจของพวกเราด้วยว่าจิตใจของพวกเรานี้ไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายกับจิตใจนี้เป็นคนละส่วนกันมาพบกันมาอยู่ร่วมกันตอนที่มีการปฏิสนธิในท้องแม่ เวลาที่มีการผสมพันธ์ระหว่างเชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่ก็จะมีใจที่เป็นดวงวิญญาณในตอนนั้นใจเวลาไม่มีร่างกายเราจะเรียกว่าดวงวิญญาณเวลามีร่างกายจะเรียกว่าจิตใจใ จ, ใจตอนที่ไม่มีร่างกายก็กำลังหาร่างกายเพราะใจต้องพึ่งร่างกายในการที่จะ หาความสุขต่างๆได้พอมีการผสมพันธุ์ระหว่างเชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่แล้วมีการเริ่มก่อตั้งการ่างสร้างตัวขึ้นมาใจที่ต้องการร่างกายก็จะมาเกาะติดร่างกายนั้ น, นทันทีแล้วก็จะอยู่ด้วยกันตลอด ตั้งแต่ในท้องแม่และหลังจากที่คลอดออกมาและก็อยู่กันไปจนถึงวาระสุดท้ายเวลาที่ร่างกายหมดลมหายใจเวลานั้นใจกับร่างกายก็จะแยกทางกันไปอันนี้ก็เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้ให้เราได้รู้ว่าเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกาย เราเป็นผู้รู้ผู้คิดคือจิตใจผู้ที่มาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆเหมือนกับเราอาศัยรถยนต์พาเราไปตามสถานที่ต่างๆเวลาที่เราต้องการเดินทางไปไหนมาไหนเราก็จะไปซื้อรถยนต์กัน พอเราได้รถยนต์เราก็ขับรถยนต์ไปไหนมาไหนไปด้วยกันเราเป็นคนขับรถยนต์เป็นผู้รับคําสั่งของคนขับคนขับบอกให้ไปกรุงเทพมันก็จะไปกรุงเทพบอกให้ไปพัทยามันก็ไปพัทยาแต่คนขับกับรถยนต์นี้ก็เหมือนกันไม่ได้เป็นคนเดียวกันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกัน คนขับกับรถยนต์มาพบกันตอนที่คนขับต้องการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนคนขับก็จะขึ้นรถยนต์เราก็สั่งให้รถยนต์พาไปไหนมาไหนได้พอไปถึงจุดหมายปลายทางคนขับก็ลงจากรถไปสำหรับเรื่องรถยนต์กับคนขับนี่เราเห็นได้ชัดเพราะว่าร่างกายแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ รถยนต์ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นได้เราก็ได้รู้ว่าร่างกายกับรถยนต์นี้ไม่ได้เป็นคนเดียวกันแต่สำหรับใจกับร่างกายนี้เราเห็นเพียงครึ่งเดียวเราเห็นร่างกายแต่เราไม่เห็นจิจตใจเพราะจิตใจไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายนั่นเองเราเลย หลงไปคิดว่าจิตใจกับร่างกายนี้เป็นคนเดียวกันเราคิดว่าความคิดนี้อยู่ในร่างกายไปด้วยกันเพราะตั้งแต่เกิดมาก็มาด้วยกันตั้งแต่เกิดพอเราโตขึ้นมาเราก็ใช้ความคิดนี้คอยสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆตามที่เราต้องการเราก็เลยคิดว่าร่างกายกับความคิด คือจิตใจนี้เป็นคนเดียวกันเมื่อเราไปคิดว่าร่างกายเป็นจิตใจหรือเป็นเราเราก็จะรักจะหวงร่างกายเราก็จะหวงร่างกายเราก็จะอยากให้ร่างกายนี้สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งของเราไปได้นาน เราไม่ต้องการให้ร่างกายเราเป็นอะไรไปทุกวันนี้เราทุ่มเทเ ว, เวลาเงินทองให้กับการเลี้ยงดูร่างกายตั้งแต่เกิดมาเลยจนถึงอายุมากน้อยเพียงไรก็ยังคอยดูแลเลี้ยงดูร่างกายอย่างเต็มที่ให้ความสําคัญต่อการเลี้ยงดูร่างกายมาเป็นอันดับหนึ่ง พราะเรารู้ว่าถ้าร่างกายเป็นอะไรไปเราจะไม่สามารถที่จะทําอะไรตามความต้องการของเราได้แต่เราก็ต้องมาพบกับความทุกข์พบกับความวุ่นวายใจกับการที่เราจะมาคอยดูแลเลี้ยงดูร่างกายเพราะธรรมชาติของร่างกายมันก็ เป็นสิ่งที่ดูแลเลี้ยงดูได้ยากมันจะคอยมีปัญหาอยู่เรื่อยๆอเดี๋ยวมันก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แล้วมันก็มีสิ่งต่างๆหรือภัยชนิดต่างๆที่จะมาคอยทำลายมันที่จะมาทำให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะทำให้มันพิกลพิการ การที่เราไปลักร่างกายไปหวงร่างกายมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาในใจของเราอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับใจที่ไม่รู้ว่าตนกับร่างกายนี้ไม่ได้เป็นอันเดียวกันและไม่รู้ว่า ความจริงนี้ใจไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขก็ได้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติทำเราต้องพิสูจน์เราถึงจะเข้าใจธรรมชาติของใจว่าความจริงนี้ใจสามารถหาความสุขได้ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขอย่างที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ในตอนนี้ตอนนี้เราอยากมีความสุขเราต้องอาศัยร่างกายเพราะความสุขของเรามาทางตาหูจมูกลิ้นกก่นั่นเองเวลาเราได้ดูได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิก่นรสผดทพักชนิดต่างๆเราก็เกิดความ เพิดเพลินใจเกิดความสุขใจใจของเราก็เลยต้องพึ่งร่างกายในการหาความสุขเมื่อต้องพึ่งร่างกายเราก็เลยต้องคอยเลี้ยงดูรักษาร่างกายให้สามารถทำหน้าที่ตามความที่ตามที่เราต้องการได้อันนี้แหละคือเป็นปัญหาของใจ ใจไปพึ่งร่างกายที่เป็นสิ่งที่ดูแลรักษาได้ยากและจะต้องหมดสภาพไปในที่สุดต่อให้เราเลี้ยงดูร่างกายให้ดีมากน้อย <c oughs> เพียงไรก็ตามในที่สุดมันก็จะไปเจอเวลาที่เราจะไม่สามารถที่จะไปรักษามันได้ ในที่สุดมันก็ต้องแก่และที่ก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องตายไปอพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับร่างกายแบบนี้ตอนนั้นใจก็จะยิ่งมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจมากขึ้นมีความทรมานใจมีความเศร้าใจมีความซึมเศร้าอะไรต่างๆ จนบางครั้งบางคนนี้ไม่อยากจะบีร่างกายเสียแล้วเพราะว่าไม่สามารถใช้ร่างกายให้เป็นเครื่องมือหาความสุขเครื่องมือที่เคยเป็นเครื่องหาความสุขให้กับเราตอนนี้กลายเป็นเครื่องผลิตความทุกข์ให้กับเราร่างกายผลิตความแก่ผลิตความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เลยคิดว่าให้มันตายดีกว่า มีมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็เลยมีการฆ่าตัวตายกันแต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องหรือที่ที่แก้แบบเด็ดขาดเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราวเพราะว่าถ้าร่างกายนี้ตายไป จะตายด้วยสภาพของมันเองหรือตายด้วยการฆ่าเราฆ่ามันเราก็จะต้องไปหาร่างกายอันใหมเ่เพราะว่าเหตุที่พาให้เราต้องไปมีร่างกายนี้มันไม่ได้ถูกแก้ไขนั่นเองเหตุที่พาให้เราร่างกายพาให้เราต้องไปหาร่างกายมีร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆก็คือความอยากหาความสุข ทางตาหูจมูกนิ้นกายนี่เอเรายังอยากดูยังอยากฟังมีใครปฏิเสธไม่ว่าไม่อยากดูอะไรไม่อยากฟังอะไรไม่อยากลิ้มรสอะไรไม่อยากดมกลิ่นอะไรไม่อยากสัมผัสกับสิ่งต่างๆทางร่างกายไม่มีหรอกเพราะทุกคนนี่มีความอยากเหล่านี้มาด้วยกันทุกคนจึงพาให้มามีร่างกายกัน มีพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกเท่านั้นแหละที่เป็นผู้ที่ไม่มีความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายเพราะท่านได้ศึกษาจนท่านเห็นโทษของการมีความอยากเหล่านี้เพราะการมีความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมันก็จะต้องพาให้จิตใจไปมีร่างกายไปหาร่างกายมาเป็นเครื่องมือ แล้วเมื่อมีร่างกายก็ต้องมาทุกขกับการดูแลเลี้ยงดูรักษาแล้วก็ต้องมาทุกในบ้านปลายของชีวิตเวลาที่มันแก่เวลาที่มันเจ็บเวลาที่มันตายไปอีกเนี่ท่านก็เลยหาวิธีกำจัดความอยากที่มีอยู่ภายในใจของท่านจนในที่สุดท่านก็สามารถกำจัดความอยากที่พาให้ใจของท่าน มามีร่างกายได้ท่านก็เลยไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดเมื่อไม่มาเกิดก็ไม่ต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงดูดูแลรักษาร่างกายไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ไม่ต้องมาทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องมาทุกข์ ก, กับความตายอีกต่อไปเพราะใจของท่านนั้น ไม่มีความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องพิสูจน์ต้องปฏิบัติแล้วถึงจะได้รู้ว่าการที่เราหยุดความอยากต่างๆได้นี่มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลต่อจิตใจของพวกเราแต่ถ้าเรายังไม่ได้ พิสูจน์ยังไม่ได้ปฏิบัตินี่เรายังคิดว่าการไม่มีความอยากนี้จะทำให้เรามีความสุขได้อย่างไรเพราะทุกวันนี้การที่เรามีความสุขกันก็เกิดจากการมีความอยากนนก่อนที่เราจะมีความสุขได้เราก็ต้องอยากก่อนเราอยากจะดูพอเราได้ดูสิ่งที่เราอยากดูก็เกิดความสุขขึ้นมา พออยากจะฟังในสิ่งที่เราอยากฟังพอเราได้ฟังก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเราก็เลยไม่เห็นประโยชน์ในการที่จะไม่มีความอยากพราะเวลาเราไม่มีความอยากเราอยู่เฉยๆเรารู้สึกว่าชีวิตมันจืดชืดให้อยู่บ้านเฉยๆนร่างกายก็สบายน่างกายก็มีอาหารกินน่างกายก็อิ่มท้อง ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ทําไมเรากลับมีปัญหาทางจิตใจทําไมเราอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทําไมเราต้องมีอะไรดูต้องมีอะไรฟังอต้องมีอะไรรับประทานต้องมีอะไรให้ดื่มทั้งๆ ท, ท, ที่ร่างกายมันก็รับประทานมามากพอแล้วดื่มพอแล้วแต่ใจของเราไม่มีความสุข เพราะว่าลึ ก, ลกๆภายในใจของเรานั้นมันยังมีความอยากคอยมาสร้างความรู้สึก ร, รู้สึกที่ว่าเราขาดอะไรความอยากนี้มันทำงานตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเราจะมารู้สึกตัวต่อเมื่อมันโผล่ขึ้นมาแล้วบอกเราว่ามันอยากอะไรอยากจะไปนู่นมานี่ เราก็เลยต้องไปทำตามที่มันบอกพอมาเราไปทำแล้วเราก็จะรู้สึกมีความสุขใจขึ้นมาความเหงาความว้าเหวความงหงุดหงิดลำคาญใจเวลาที่อยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรมันก็หายไป เ, เราก็เลยกลับเห็นคุณประโยชน์ของการทำตามความอยากของการมีความอยาก พอจะแก้ความเหงาความว้าเหวของเราได้เพราะเราปกติถ้าเราอยู่เฉยๆนี่เราจะรู้สึกอึดอัดใจไม่มีความสุขเราถึงต้องไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับใจถ้าอยู่คนเดียวก็ไปหาแฟนกันอยากจะมีแฟนกันอยากจะมีคู่ครอง เพราะว่ามีคู่ครองแล้วมันก็แก้เหงาเวลาอยู่คนเดียวมันเหงาแต่พอมีคู่ครองมันก็หายเหงามันก็มีความสุขมีความเพลิดเพลินไปกับคู่ครองแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะต้องไปรับกับปัญหาของการมีคู่ครองการมีคู่ครองมันก็อาจจะมีการมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน อยู่ด้วยกันก็อาจจะมีการาทะเลาะกันบ้างมีการเถียงกันบ้างาความสุขที่ได้จากการมีคู่กองก็หายไปความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาแทนที่นี่คือเรื่องของใจที่มีความอยาก มันจะคอยกระตุ้นให้ใจนี้ไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับมันแล้วสิ่งต่างๆที่มันได้มามันก็มีปัญหาตามมาด้วยเพราะสิ่งต่างๆที่ได้มามันไม่ได้เป็นตามที่ใจคิดว่าเป็นความสุขมันมีอย่างอื่นติดตัวมาด้วย คือความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆที่เราได้มาของบุคคลต่างๆที่ได้มาสิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆที่ได้มานั้นจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆคนก็เหมือนกันบางวันเขาก็อารมณ์ดีบางวันเขาก็อารมณ์ไม่ดีวันไหนเขาอารมณ์ดีเขาก็ดีกับเรา พอวันไหนเขาอารมณ์ไม่ดีเขาก็ไม่ดีกับเราทาั้งๆที่เขาก็ไม่อยากจะไม่ดีกับเราเขาก็อยากจะดีกับเราแต่อารมณ์ของเขาคนนี้เขาก็ควบคุมไม่ได้พอเวลามีอารมณ์ไม่ดีก็ระบายความไม่ดีออกมาพอเร า, เราไปเจอความไม่ดีที่เขาระบายออกมาเราก็เลยเบื่อเขาบ้างหรือไม่พอใจเขาบ้าง เมื่อก่อนตอนที่เขาดีเราก็รักเขาชอบเขาแต่พอเขาเปลี่ยนไปเป็นไม่ดีความรักความชอบเขาก็หายไปอยู่กับเขาแทนที่จะมีความสุขก็เลยกลับมีความรู้สึกไม่สุขเสียแล้วเพราะเขาเปลี่ยนไปหรือบางทีเราก็เปลี่ยนไปเหมือนกันมองทั้งมุมกลับด้วยเขาก็มองเราก็แบบเดียวกัน เราก็เหมือนเขาบางวันเราก็ดีบางวันเราก็ไม่ดีวันไหนเราอารมณ์ดีเราก็พูดดีทำดีวันไหนเราอารมณ์ไม่ดีเราก็พูดไม่ดีทำไม่ดีเฉะนั้นความสุกที่เราให้ต่อกันมันก็เลยกลายเป็นการให้ความทุกข์ต่อกันมันก็เลยทําให้ชีวิตของพวกเรานี้มันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ ปนกันไปปนกันมาจะให้มันเป็นความสุขอย่างเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าปัจจัยที่ให้ความสุขกับความทุกข์นี้มันไม่นิ่งมันมีการเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงบางทีก็เป็นปัจจัยเสริมความสุขบางทีก็เป็นปัจจัยเสริมความทุกข์ชีวิตของพวกเราก็เลยวุ่นวายไปกับการ คอยปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ปัจจัยต่างๆนั้นเป็นปัจจัยที่เสริมแต่ความสุขแต่ทำยังไงเราก็ทำไม่สำเร็จหรอกเพราะว่าปัจจัยต่างๆมันมีมากมายและมันอยู่เหนือวิสัยของเราที่เราจะไปควบคุมบังคับมันได้เสมอไป นี่คือโจทย์หรือปัญหาของชีวิตของพวกเราทุกคนเราเกิดมาเราสแสวงหาความสุขกันแต่ความสุขที่เราได้มันมักจะเปลี่ยนไปกลายไปหรือสลับกันไปสลับกันมาบางทีเขาก็ให้ความสุขกับเราบางทีเขาก็ไม่ให้ความสุขให้ความทุกข์กับเรานี่เป็นปัญหาของชีวิตของทุกทกคน พระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็เจอปัญหาแบบนี้มาจนในที่สุดพระ อ, องค์ก็เลยอยากจะแก้ปัญหานี้เพราะวิธีที่ท่านทําอยู่คือพยายามเสริมสร้างปัจจัยที่จะส่งเสริมความสุขนี้มันทํำยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะไปไปห้ามปัจจัยที่จะส่งเสริมความทุกข์ได้ ท่านก็เลยคิดว่าจะต้องเปลี่ยนวิธีท่านก็เลยไปบวชเพราะได้ยินว่านักบวชนี้มีวิธีที่จะหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งหาความสุขที่จะไม่มีความทุกข์ตามมาเหมือนกับที่พระองค์เคยหาอยู่ตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในวังก็มีการหาความสุข ด้วยวิธีการต่างๆสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่พระ อ, องค์พอไปเห็นว่าต่อไปในอนาคตร่างกายก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายการที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขมันก็จะเป็นไปไม่ได้พระ อ, องค์ก็เลยคิดว่าต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขก็เลยไปบวช อยู่กับพวกนักบวชเพราะพวกนักบวชนี้เขาค้นพบวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องใช้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้คือหาความสุขที่มีอยู่ภายในใจของเรานั่นเองเขาก็เลยพระองค์ก็เลยไปศึกษาก็ได้ทรงค้นพบว่าการที่จะทำใจของเราให้มีความสุข โดยที่ไม่ต้องอวุ่นวายไปกับบุคคลหรือสิ่งต่างๆก็คือการมาควบคุมจิตใจให้เข้าสู่ความสงบนะเวลาจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วจิตใจก็จะมีความสุขขึ้นมานี่คือการนั่งสมาธินั่นเองการนั่งสมาธิก็เพื่อควบคุมความคิดต่างๆให้หยุดคิดเพราะว่าถ้า ใจไม่หยุดคิดใจจะไม่สงบเมื่อไม่สงบความสุขก็จะไม่เกิดขึ้นมาถ้าหยุดความคิดได้ใจก็จะสงบนิ่งพอเกิดความสงบนิ่งก็จะเกิดความสุขขึ้นมาภายในใจซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ถ้าใครได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แล้วจะรู้ว่าเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เคยได้สัมผัสมาผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขที่เหนือกว่าที่ดีกว่าที่มั่นคงกว่าเพราะว่าสามารถควบคุมได้ไม่เหมือนกับความสุขที่ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย ที่ไม่สามารถควบคุมได้ตลอดเวลาควบคุมได้บ้างบางเวลาแต่บางเวลาก็ควบคุมไม่ได้เวลาที่ควบคุมไม่ได้ความสุขนั้นก็จะหายไปความทุกข์นั้นก็จะตามมาแต่ความสุขที่ได้จากการควบคุมจิตใจทำใจให้สงบได้พอเราควบคุมได้เราก็สามารถที่จะสร้างความสุขแบบนี้ได้ ทุกเวลาที่เราต้องการเพียงแต่ว่าความสุขแบบนี้มันก็ยังเป็นความสุขชั่วคราวคือมันจะสุขเฉพาะตอนที่จิตสงบจิตเข้าไปในสมาธิแต่เวลาจิตออกจากสมาธิมาจิตมาเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถึงบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ความอยากที่มียังมีอยู่ภายในจิตมันก็จะออกมาทำงาน พอมันเกิดความอยากโดยเฉพาะเรื่องของร่างกายอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความความทุกข์ความทุกข์กใจก็จะโผล่ขึ้นมาอีกแต่ก็ไม่มีใครรู้วิธีว่าทําอย่างไรถึงจะทําให้ใจนั้นไม่ต้องทุกข์เวลาที่ออกจากสมาธิมาไปศึกษากับผู้อาจารย์กี่รูป ก, ก็ไม่มีใครรู้วิธี ที่จะรักษาใจให้ไม่ทุกข์ในขณะที่ออกจากสมาธิมาอาจารย์ต่างๆรู้วิธีที่จะทำใจให้มีความสุขมีความสงบด้วยการเข้าสมาธิด้วยการเข้าฌานขั้นต่างๆแต่พอออกมาสู่สภาพปกติมาออกมารับรู้เรื่องราวของร่างกายก็ทำให้เกิดความไม่สบายใจ เพราะความอยากในใจยังมีอยู่คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอเห็นว่าร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ยังมีความไม่สบายใจอยู่เมื่อไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องไปสรงค้นคว้าหาวิธีว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้ใจไม่ต้องทุกเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิ ทำอย่างไรให้ใจมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิาองค์ก็ทรงค้นพบว่าความทุกข์ของใจนั้นเกิดตอนที่มีความอยากพอมีความอยากได้อะไรใจก็จะรู้สึกไม่สบายขึ้นมาถ้าหยุดความอยากได้ความไม่สบายใจนั้นก็จะหายไป แล้วิธีที่จะหยุดความอยากนั้นได้ก็ต้องรู้หรือสอนใจให้รู้ว่าการที่ใจอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรืออยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เช่นอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันเป็นไปไม่ได้ เพราะธรรมชาติของร่างกายมันจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายนั่นเองถ้าอยากมันก็จะทุกข์แต่ถ้าไม่อยากมันจะไม่ทุกข์ถึงแม้มันจะไม่ได้เปลี media, ป่ย น, น, นแปลงความจริงคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงของร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจจะไม่ทุกข์กับร่างกายถ้าใจไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เพราความทุกข์มันเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนั่นเองเมื่อหยุดความอยากนี่ได้มันก็ไม่ทุกข์จะหยุดได้ก็ต้องมองความจริงความจริงก็คือเราหยุดมันได้ั้ยเราห้ามเราหยุดความแก่ได้หรือเปล่าเราหยุดความเจ็บไข้ได้ได้ได้หรือเปล่าเราหยุดหยุดความตายได้หรือเปล่าเราหยุดมันไม่ได้ไม่มีใครหยุดมันได้แต่เราหยุดความอยากได้หรือเปล่าได้ พราเวลาเราเข้าสมาธิเราก็หยุดความอยากได้ความอยากมันก็เกิดจากความคิดนั่นเองความคิดพอคิดอยากจะคิดให้ร่างกายอยู่ไปนานๆมันก็ทุกข์แล้วแต่พอคิดว่าร่างกายห้ามมันไม่ได้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาของมันเราก็คิดแบบนี้ไปเรื่อยๆพอเราคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะไม่ฝืนความจริงเราก็จะยอมรับความจริง ยอมรับความแก่ยอมรับความเจ็บยอมรับความตายเมื่อเรายอมรับได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับมันพระพุทธเจ้าจึงสอนชาวพุทธเหล่านี้ให้เราคิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องแก่เป็นธรรมดาเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเราต้องตายไปเป็นธรรมดา เราต้องพัดพาดจากกันเป็นธรรมดาร่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ให้คิดบ่อยๆคิดจนกระทั่งไม่ลืมเมื่อไม่ลืมแล้วมันจะได้ไม่ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปล่อยมันแก่ไปปล่อยมันเจ็บไปปล่อยมันตายไปใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับมันและจะคิดหรือไม่คิด มันก็เหมือนเดิมคือร่างกายก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมแต่ที่มันจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนที่ในใจเราแทนที่จะทุกข์ต่อไปเราจะไม่ทุกข์ถ้าใจเรายอมรับความจริงเพราะเราคิดถึงความจริงอยู่เรื่อยๆคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายคิดถึงการพัดพากจากกันอยู่เรื่อยๆต่อไปเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจ รับกับเหตุการณ์พอเรารับกับเหตุการณ์แล้วจิตใจเราก็จะไม่ตื่นตนกตกใจไม่หวาดกลัวไม่วุ่นวายใจจิตใจก็จะเป็นปกติเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอันนี้เป็นวิธีการของพระพุทธเจ้าในการที่จะดับความทุกข์ต่างๆต้องมาดับที่ความอยาก เวลาจิตเราเข้าสู่ความสงบนี้ความอยากมันจะหยุดทำงานจิตก็เลยมีความสุขมากแต่พอออกจากสมาธิมาพอมาคิดมาเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดความอยากกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องเแม้เราได้ยินสัมผัสเรื่องอะไรนี้ใจเราจะเกิดความอยากขึ้นมาทันทีจะมีความรู้สึกดีใจเสียใจขึ้นมากับสิ่งนั้นทันที เพราะว่าดีใจเพราะว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นสิ่งที่เราอยากได้อยากให้มันเป็นแล้วมันเป็นเราก็เลยดีใจเสียใจเพราะสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นมันไม่เป็นเราก็เสียใจเนี่ความดีใจเสียใจความสุขความทุกข์ใจของพวกเราเกิดจากความอยากของพวกเราต่อสิ่งต่างๆอเวลาดีใจก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่เวลาเสียใจนี้เราไม่รู้จักวิธีแก้มันไม่รู้จักวิธีกาจัดมันถ้าเรามาเรียนมาศึกษาตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาเราทุกข์ใจเวลาเราเสียใจก็ไปหยุดความอยากกับสิ่งที่ทำให้เราเสียใจเท่านั้นเองอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่เสียใจ เราก็จะไม่ทุกข์ใจไปกับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันเกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นที่ทำให้เราไม่สบายใจอยากให้เขาดีพอเขาไม่ดีเราก็เสียใจอยากให้เขาไม่ว่าเราพอเขาว่าเราเราก็เสียใจแต่ถ้าเราหยุดใจของเราว่าอย่าไปอยากสิอย่าไปอยากให้เขาไม่ว่าเราเราไปห้ามเขาได้หรือเปล่าเราไปสั่งเขาได้หรือเปล่า เหมือนกับร่างกายเราไปห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้หรือเปล่าเราก็ไปห้ามคนอื่นไม่ให้เข้ามาด่าเราไม่ได้ก็ปล่อยเขาด่าไปสิถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ด่าเราเราจะไม่เดือดร้อนต้องถือว่าเป็นประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิ์จะด่าใครก็ได้คนถูกด่าก็มีสิทธิ์ที่จะฟังก็ฟังไปเท่านั้นเองถ้าฟังโดยไม่มีความอยากจะไม่ทุกข์ แต่ถ้าฟังด้วยความอยากว่าเขาต้องพูดดีเขาต้องชมเราเขาต้องสรรเสริญเรายกย่องเราเขาต้องไม่ว่าเราพอเขาไม่สรรเสริญไม่ยกย่องเขาดา่าเราเขาว่าเราเราก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจมันเกิดจากความอยากของเรานั่นเองนั้นวิธีที่จะทําให้เราแก้ปัญหาต่างๆได้หมดก็คือเราต้องมาหยุดความอยากนั่นเอง และวิธีที่จะหยุดความอยากได้เราก็ต้องมาควบคุมความคิดให้หยุดความคิดให้ได้เพราะความคิดเป็นตัวที่จะทำให้เกิดความอยากตามมาถ้าเราหยุดความคิดหรือให้มันคิดไปในทางตรงกันข้ามกันก็ได้เช่นมันคิดอยากไม่ให้เขาดา่าเราก็ให้มันคิดอยากให้เขาด่าสิอยากขอให้มันด่าหน่อยเถอะอยากจะฟังคาด่าของมัน พอพอได้ทาได้ดังใจอยากมันก็ดีใจมันไม่เสียใจอ๋อวันนี้อยากให้เขาดา่าเขาด่าเราแล้วดีใจเหมือนกับอยากให้เขาชมเนี่ยเวลาอยากให้เขาชมพอเขาชมเราดีใจหรือเปล่าดีใจอย่านี้นเราก็ต้องพลิกความคิดใหม่ต่อไปนี้เราอยากให้เขาดา่าเพราะว่าเวลาเขาด่าเราจะได้ดีใจเหมือนกับเวลาที่เราอยากให้เขาชมนะพอเขาชมเราเราก็ดีใจอันนี้ก็เหมือนกัน เราต้องรู้จักควบคุมความคิดเปลี่ยนความคิดใหม่เราต้องเปลี่ยนให้มันเดินย้อนสอนกันย้อนสอนกับความอยากมันอยากแบบนี้ก็ต้องให้มันไปอยากอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเวลาอยากแบบนี้แล้วมันทุกข์ก็ต้องให้มันอยากอีกแบบหนึ่งมันถึงจะได้ไม่ทุกข์นั่นเองหรือถ้าไม่ได้อยากให้มันอยากแบบนั้นก็อย่างน้อยก็อยากให้มันอยากก็แล้วกันให้มันหยุดความอยากให้มันหยุดความคิด ทำใจให้เฉยๆไว้อย่าไปคิดอะไรใครพูดอะไรก็อย่าไปคิดอะไรมันก็ไม่ทุกข์ได้แต่ถ้าพอไปคิดปั๊บว่าเอ๊ะเขาด่าเรานี่วะพอคิดแค่นี้มันก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าไม่คิดว่าเขาด่าเราคิดว่าเอ๊ะเขาชมเรานี่วะอย่างนี้ก็ไม่ทุกข์ก็ได้วิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์เวลาที่เขาด่าเราให้คิดอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าคิดว่าเป็นการชีขข้ขุมทรัพย์ให้กับเราก็แล้วกัน คิดว่าเขาเป็นเหมือนกระจกเงากระจกส่องหน้าเราเวลาเราแต่งตัวนี่เราต้องมีกระจกไหมถ้าไม่มีกระจกเราไม่รู้ว่าเราแต่งตัวเรียบร้อยหรือไม่ถ้าเราแต่งตัวไม่เรียบร้อยเพอเราดูกระจกเรารู้ไอ้ปากอตรงนี้ทาสีผิดนตรงนี้ทาคิ้วผิดทาเปือ่อนตรงนี้มีสิ่งสกปรกติดอยู่ที่หน้าเอเราก็จะได้ไปเช็ดไปล้างได้เอ แ่ถ้าเราไม่มีกระจกเงาส่งเราก็จะไม่รู้ก็ให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันว่าเวลาใครเขาด่าเราเขาตาหนิเราถ้าเป็นความจริงก็เป็นเาเราก็ถือว่าเขาเป็นเหมือนกระจกส่องหน้าเราอบอกเราให้เราแก้ไขในสิ่งที่เราบกพร่องอมันก็เป็นเหมือนกันกับการชีข้ขุมทรัพย์นั่นเองอการถูกว่ากล่าวตำหนิตีเตียนนี้ทางาศาสนาไม่ถือว่าเป็นของเลวร้ายถ้าเป็นความจริง เป็นคุณเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้านี่บังคับให้พระนี่ต้องต้องว่ากล่าวตีเตียนกันได้ในวันออกพรรษานี้จะมีวันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระทุกลูกว่ากล่าวตักเตือนกันได้ใครมีใครเห็นว่าใครพูดไม่ดีทําไม่ดีสามารถว่ากล่าวตักเตือนกันได้แม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองก็ทรงอนุญาต ใครถ้าเห็นว่าพระพุทธเจ้าทําอะไรไม่ถูกพูดอะไรไม่ถูกทําอะไรไม่ถูกขอได้โปรดว่ากล่าวตักเตือนเถิดว่าการว่ากล่าวตักเตือนนี้เพื่อให้ได้ปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องนไม่ได้ว่ากล่าวตักเตือนเพื่อการเหยียดย้มหรือเพื่อการดูถูกดูแคลนกันแต่เป็นการช่วยกันไปช่วยการพัฒนาตนให้ พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นเพราะเมื่อมีมีสิ่งที่บกพร่องบางทีเรามองไม่เห็นเพราะโดยธรรมชาติของจิตใจของคนที่ยังมีกิเลสอยู่นี้มักจะมองเห็นสิ่งตรงกันข้ามกับความเป็นจริงคือถ้าเป็นความผิดของเรานี้แม้จะมากมายไ ก, ก่กองเราก็คิดว่ามันเป็นเล็กน้อยเป็นเหมือนผงทุลีเป็นเรื่องเล็กแล้วในทา ง, ทางตรงกันข้าม แม้ความผิดของผู้อื่นแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็กลายเป็นภูเขาใหญ่โตขึ้นมาเพราะใจของเรามีอคติใจเรามีอัตตาตัวตนมีความหลงเมื่อมีความหลงในตัวตนก็จะหลงว่าเราต้องดีกว่าคนอื่นฉะนั้นเวลาคนอื่นทาอะไรไม่ดีนิดหน่อยนี้เราจะเห็นว่าเป็นความไม่ดีที่ใหญ่โตขึ้นมา หลายเวลาที่เราทำอะไรไม่ดีเราจะเห็นว่าไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยอันนี้คือเราจึงต้องอาศัยคนอื่นมาคอยว่าเก่ามาบอกเราเป็นเหมือนกระจกส่องเงาให้คิดแบบนี้แล้วเราจะรู้สึกไม่เดือดร้อนกับการที่เราจะถูกตาหนิติเตียนแต่ถ้าเขาบอกเราในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริง เช่นเราพิสูจน์ละว่าสิ่งที่เขาพูดนี้มันไม่เป็นความจริงเราก็คิดว่าเขาเป็นคนตาบอดก็แล้วกันเป็นคนที่มองไม่เห็นความจริงหรือเป็นคนที่มีความไม่พอใจมีความจงใจที่อยากจะว่ากล่าวเราเพื่อเหยียดหยามเราเราก็ต้องให้อภัยเขาไปเขาคงมีความไม่สบายใจในใจของเขา เขาถึงต้องมาว่ากล่าวเราในในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงเอเมื่อไม่เป็นความจริงเราจะไปเดือดร้อนทําไมใช่ไหมเช่นเขาว่าเราเป็นควายอย่างนี้เราเป็นหรือเปล่าเราก็ดูเลยหางก็ไม่มีเขาก็ไม่มีเอกายก็จะว่าเราเป็นควายก็มันแค่เป็นคําพูดของเขาทําไมเราจะต้องไปโกรธเขาใช่ไหมอันนี้คือเรื่องของการ สอนจิตใจฝึกจิตใจนะให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้อย่างไม่มีความทุกข์ใจเพราะเราต้องมองความจริงของสิ่งต่างๆเมื่อเรามองแล้วว่าเขาเป็นอย่างนี้เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็อย่าไปอยากให้เขาเปลี่ยนก็แล้วกันถ้าเข า, เ, าเขาไม่ดีเราอยากจะให้เขาดีแต่เราก็ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ เหมือนกับถ้าเขาเป็นส้มนี่เราอยากจะไปเปลี่ยนให้เขาเป็นกล้วยมันก็เปลี่ยนไม่ได้ส้มก็ต้องเป็นส้มกล้วยก็ต้องเป็นกล้วยเขานิสัยเป็นอย่างนี้จะเปลี่ยนให้เขาเป็นนิสัยอย่างหนึ่งเราไปเปลี่ยนให้เขาไม่ได้เขาต้องเปลี่ยนเองถึงแม้ว่าเขาอยากจะเปลี่ยนบางทีเขาก็ยังเปลี่ยนไม่ได้ก็มีเพราะนิสัยมันเป็นของที่ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนได้แบบทันทีทันใดเหมือนกับ มือซ้ายมือขวาของเราเนี่ยเราเคยใช้มือไหนเรอยู่ดีๆเราจะขอเปลี่ยนมาใช้อีกมือหนึ่งทันทีทันใดเปลี่ยนไม่ได้เราเคยถนัดมือขวาเราก็จะใช้มือขวาไปเรื่อยๆจนกว่ามือขวามันเสียเท่านั้นเราถึงจะมาหัดใช้มือซ้ายใหม่แต่ตอนเริ่มใช้ใหม่ใหม่หม ม, มันก็ยากเพราะเราไม่เคยใช้มันมาก่อนการเปลี่ยนนิสัยก็แบบเดียวกันอยู่ดีๆจะเปลี่ยนแบบทันทีทันใดมันไม่ได้ ถ้าอยากจะเปลี่ยนก็ต้องใช้เวลาและต้องใช้ความพยายามมากมันถนึงจะเปลี่ยนได้แต่เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาต้องเปลี่ยนเขาเองอย่างนั้นเราต้องพยายามมองความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยอมรับความจริงของเขาอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่ร่างกายของเราออกไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ของเขาเราไปเปลี่ยนเขานี้ไม่ได้เขาจะต้องเปลี่ยนเขาเองเราทำได้ก็อาจจะบอกเขาถ้าเขาเชื่อเขาเปลี่ยนก็ดีไปถ้าเขาไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้แต่เราจะไม่ต้องทุกข์กับเขาถ้าเราไม่ไปมีความอยากให้เขาเปลี่ยน นี่ะคือเรื่องของความทุกข์ใจที่มันเกิดจากความอยากต่างๆของพวกเรานี้ถ้าเราสามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ใจของเราก็จะแก้ปัญหาได้อย่างราบคาบเพราะว่าเมื่อเราไม่มีความอยากกับอะไรในโลกนี้เราก็จะไม่กลับมาเกิดเราก็จะไม่กลับมาหามันอีก แต่ถ้าเรายังมีความอยากอยู่เราก็ยังจะต้องกลับมาหามันอีกเราก็ยังจะต้องมามีร่างกายมาเกิดใหม่พอมาเกิดแล้วก็ต้องมามีปัญหากับร่างกายก่อนปัญหาการดำรงชีวิตาการดูแลเลี้ยงดูร่างกายรักษาปกป้องร่างกายให้อยู่ไปได้นานๆแล้วก็มาทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เราหามาได้เพราะสิ่งต่างๆที่เราหามาได้นี้ เรามักจะมองเพียงด้านเดียวคือมักจะมองด้านดีด้านที่ให้ความสุขกับเราแต่เรามองไม่เห็นด้านที่มันจะให้ความทุกข์กับเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้อะไรมาแล้วไม่ช้าก็เร็วความสุขที่เราได้นั้นมันก็จะพลิกกลับกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาชีวิตของเราก็เลยหนีไม่พ้นความทุกข์ถ้าเรายังมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆ วิธีที่จะหนีพ้นความทุกข์ไม่ต้องเจอความทุกข์กันอีกต่อไปก็คือเราต้องมาหยุดความอยากกันวิธีที่จะหยุดความอยากก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนองให้เรามาหยุดความคิดกันหยุดความคิดด้วยสติเช่นมาคิดพุทธโธพุทธโธแทนที่จะไปคิดเรื่องอื่นพอมันจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ให้พุทธโธพุทธโธไป พอพูดโทษไปเร Black Silent ื่อยๆความคิดถึงสิ่งน sure ั้นสิ่งนี้ก็จะหายไปพอไม่คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ความอยากในสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะหายไปชั่วคราวเพราะเราไม่ไปคิดถึงมันแล้วพอเราไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่มีความอยากกับเรื่องราวต่างๆใจเราก็จะสงบใจของเราก็จะเย็นมีความสุขมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไร ไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขถ้าเราหยุดความคิดหยุดความอยากได้คือเข้าสมาธิได้ใจของเราก็จะมีความสุขขึ้นมา <c oughs> แล้วถ้าเราอยากจะให้ <c oughs> ความคิดของเรานี้ไม่มาสร้างความทุกข์เราก็ต้องคิดไปในทางที่จะทำให้ใจเราไม่เกิดความอยาก <c oughs> การที่จะคิดให้ใจของเราไม่เกิดความอยาก <c oughs> ก็ต้องมองว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมัน มันไม่แน่นอนมันให้ความสุขกับเราแต่ในขณะเดียวกันมันก็สามารถพลิกกลายเป็นความทุกข์ได้ต่อไปเพราะความไม่แน่นอนเพราะของต่างๆไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการเสื่อมไปมีการจากไปเพราะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมมีการจากไปความสุขที่ได้ก็หายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้เป็นทุกข์ เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วเราไม่สามารถที่จะไปห้ามมันไปควบคุมบังคับมันได้เราก็จะไม่คิดอยากได้สิ่งใดเราก็กลับมาหาความสงบดีกว่ามาอยู่กับความว่างอยู่กับความไม่คิดดีกว่าทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบก้าวความอยากก็หายไปแล้วความสุขก็ปรากฏขึ้นมาต่อไปถ้าเราทาอย่างนี้ได้ทุกครั้งที่เราเกิดความอยาก ต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปเพราะเราไม่ตอบสนองมันมันอยากได้เราก็บอกว่าเป็นทุกข์นะได้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์รเอองถ้าทุกข์ก็ไม่เอาดีกว่าก็เท่านั้นเองพอรู้ว่ามันจะต้องเป็นความทุกข์ล้วก็หยุดมันไม่เอามันพอเราไม่เอามันต่อไปความอยากได้มันก็ไม่มีต่อไปความอยากต่างๆก็จะถูกกำจัดให้หมดไปจากใจไม่ต้องการอะไรจากอะไรทั้งนั้นที่มีอยู่ในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงเกล็ดเลดต่างๆจะวิเศษขนาดไหนก็มันต้องเป็นทุกข์ไม่ช้าก็เร็วจะร่ำรวยขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ต้องทุกข์จะใหญ่โตขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ต้องทุกข์เพราะมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดพอคิดอย่างนี้แล้วก็ไม่เอาดีกว่ามาอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบดีกว่าแล้วหลังจากนั้นต่อไปความอยาก กับสิ่งต่างๆก็จะหมดไปพอร่างกายนี้ตายไปก็จะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วพอแล้วถึงเมืองพอนี่คือ <c oughs> เรื่องที่เกิดขึ้นจากการมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นคนฉลาดเป็นคนรู้จริงเห็นจริงแล้วเราก็เลยมาศึกษาวิธีที่จะทำให้เรารู้จริงเห็นจริงเหมือนพระพุทธเจ้า เมื่อเราได้ศึกษาแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วผลต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็จะเป็นผลที่เราจะรู้จะเห็นเช่นเดียวกันก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหาปุราปะริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอ an ิชิตังปฏทีต um ังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติ อระโสยะธาสัพพิตโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตโนันตาราโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาตนาสีลิจานิจจังวุฒาปัจจายโนจตารโอธรมมวัทานติ อายุวันโสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะวันนี้ทาง f a c e b o o สา2 2 y อยยี่ส255องห้าสิบห้าวิทยุออนไลน์ยิบเจ็ดรับฟังบนเขาเจ็ดิบแปดรวมทั้งสิ้น682้อแปดสิบท่านค่ะ อันนี้เป็นช่วงถามคําถามใครมีคําถามอยากถามก็เชิญถามได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ายังไม่มีก็เอาคําถามจากทางบ้านก่อนวันนี้ทางบ้านยังไม่มีามทางบ้านก็ไม่มีเออแสดงว่าฟังแล้วเข้าใจกันเข้าใจกัน เข้าใจแล้วก็ต้องนําเอาไปปฏิบัติเพราะการฟังนี้เป็นเพียงส่วนย่อยเพราะความรู้ที่จะได้จากการปฏิบัตินี้มันยิ่งใหญ่ไพศาลกว่าความรู้ที่ได้จากการได้ยินได้ฟังเหมือนใบไม้ในกํา ม, มือพระพุทธเจ้าเคย <c oughs> เคยหยิบใบไม้ขึ้นมากำหนึ่งแล้วถามพระภิกษุว่าภิกษุ ใบไม้ที่อยู่ในกามือเหล่านี้กับใบไม้ที่มีอยู่ในป่านี้ส่วนไหนจะมีมากกว่ากันพระภิกษุบอกเอา้าก็ต้องอยู่ในป่าสิใบไม้เยอะแยะในกามือของพระองค์จะมีมากเท่ากับในป่าได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่านั่นแหละความรู้ที่เรามาสั่งมาสอนพวกเธอเนี่ยเป็นเหมือนใบไม้ในกามือ และความรู้ที่พวกเธอจะได้รับจากการปฏิบัตินี้จะเหมือนกับความรู้เหมือนกับใบไม้ที่อยู่ในป่าเพราะมันมากมายจนที่เราไม่สามารถที่จะเอามาบอกพวกเธอได้ถ้าพวกเธออยากจะรู้เหมือนอย่างที่เรารู้ขอให้เธอนำเอาไปปฏิบัติตามที่เราสอนคำสอนของเรานี้เป็นเหมือนกุญแจเปิดประตูของตู้พระไตรปิฎก ของความรู้ที่มีอยู่ที่เรามองไม่เห็นกันแต่มีอยู่ตอนนี้ใจของเราเหมือนถูกปิดเอาไว้ถูกกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาปิดบังไว้จึงทําเราให้เรามองไม่เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่เช่นนรกเช่นสวรรค์เช่นการเวียนว่ายตายเกิดนี่เรามองไม่เห็นกันเราเห็นแต่ขนมกาแฟ เห็นแต่กระเป๋ารองเท้าแต่เรามองไม่เห็นเพราะเราไม่ปฏิบัติเราไม่เปิดตาที่จะมองให้สิ่งเหล่านี้เห็นได้คือเราต้องเปิดตาในตอนนี้เราเปิดแต่ตานอกคือตาทางร่างกายเราก็เลยเห็นแต่สิ่งที่ตาทางร่างกายเห็นได้แต่สิ่งที่ตาทางร่างกายมองไม่เห็นนี่ ต้องใช้ตาในคือตาใจตาทิพถึงจะเห็นได้จะเปิดตาทิพได้ก็ต้องปิดตานอกเวลานั่งสมาธินี่เรากาลังเปลี่ยนตาปิดตานอกที่ไปเห็นขนมกาแฟเห็นนองเท้านีมาให้มาเห็นนรกเห็นสวรรค์แทนด้วยการเปิดตาในด้วยการปฏิบัติ มอปฏิบัติแล้วโอ้จะเห็นโลกทิพย์ที่ยิ่งใหญ่ไพศาลกว่าโลกที่เราอยู่กันในขณะนี้มีสามพบด้วยกันมีกามภพบมีรูปพบอรูปพบที่อยู่ของเทวดาอินพรหมที่อยู่ของเปรตของผีของนรกเต็มไปหมดที่เรามองไม่เห็นกันแต่มีอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับ สัญญาณวิทยุที่มีอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นเพราะเราไม่มีตาที่จะมองมันแต่พอเราใช้เครื่องมือเช่นโทรศัพท์มือถือนี่พอเราเปิดปั๊บสัญญาณก็วิ่งเข้าเครื่องเราเปิดวิทยุเสียงก็ออกมาทางวิทยุมันก็บอกเราให้เรารู้ว่ารอบตัวเราขณะนี้มีสัญญาณวิทยุต่างๆเยอะแย ะ, ยะไปหมดช่องสามช่องเจ็ดช่องอะไร สถานี fmam mm น pues nah, ี่เต็มไปหมดแต่เรามองไม่เห็นกันไม่เราไม่มีเครื่องมือมารับรู้มันใจของเราก็เหมือนกันมองไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์มองไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าเราไม่เปิดเครื่องมือที่เรามีอยู่คือตาในของเราวิธีเปิดก็คือเราต้องปิดตานอกหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธไป อันนี้แหลจะเป็นวิธีเปิดตาในของเราพอใจเราเข้าสู่ความสงบมันก็จะเข้าสู่โลกทิพย์ทันทีมันก็จะเริ่มรับรู้เห็นสิ่งต่างๆที่เราไม่รู้ไม่เห็นมาก่อนมีคำถามมั้ยมีค่ะคำถามจากคุณปานจิตค่ะกราบขอถามเจ้าค่ะยมทาธุรกิจรับซื้อยางพารามีเจ้าของสวนยางเอาอยางมาขายกิโลละยี่สิบสี่บาท แต่เจ้าของสวนให้โยมเขียนบินให้คนงานกรีดยางดู23บาทเขาสั่งให้โยมเขียนอย่างนี้โยมจะเป็นบาปกับเขาไหมเจ้าคะก็เราทำด้วยเนี่ยเราถ้าเราไม่ได้ทำาถึงจะไม่บาปเราก็มีส่วนร่วมในการโกหกหลอกลวงคนสั่งก็บาปคนทำก็บาปถ้าเรารู้ว่าบาปเราก็อย่าทำ ถ้าไม่ทำต้องออกจากงานก็ออกไปไปหางานอื่นด้านไม่ใช่โลกนี้มีงานนี้งานเดียวอาจจะได้มีงานที่ดีกว่านี้ก็ได้อย่างน้อยงานนี้มันจะพาเราไปนรกให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันยอมอดตายดีกว่าไปนรกให้คิดอย่างนี้ไปหางานใหม่คำถามต่อไปจากคุณวรัญญาค่ะเริ่มภาวนาต้องเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากสติต้องฝึกสติ ต้องหมั่นควบคุมความคิดหมั่นดึงใจให้หยุดคิดให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้อย่าให้มันไปอดีตอย่าให้มันไปอนาคตเช่นเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับมันกำลังล้างหน้าก็ให้ล้างหน้ากับมันกำลังแปรงฟันก็แปรงฟันไปกับมันอย่าไปล่างหน้าไปแล้วก็ไปคิดถึงเมื่อวานนี้คิดถึงพรุ่งนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติ ถ้ามีสติต้องอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นคือกําลังล้างหน้าก็ต้องอยู่ล้าร่างกายล้างหน้าใจก็ต้องล้างหน้าไปกับมันร่างกายแปลงฟันใจก็ต้องแปลงฟันไปกับมันนี่เราฝึกสติดึงใจให้หยุดคิดให้มารู้เฉยๆไม่ต้องไปคิดเรื่องต่างๆให้วุ่นวายใจแบบป่าๆถ้าจะคิดก็คิดในเรื่องที่จําเป็นต้องคิดเท่านั้น เห็นตอนนี้นั่งหน้าเสร็จแล้วจะต้องทําอะไรต่ อ, อล้า่งหน้าเสร็จก็ต้องหวีผมต่ อ, อก็หวีผมต่อหวีผมเสร็จจะต้องทําอะไรอก็ทําไปอย่างเงี้ยคิดแบบนี้ได้แต่อย่าไปคิดถึงอดีตเมื่อวานนี้หรือคิดถึงอนาคตเนี่อย่างนี้เรียกว่าใจลอยถ้านั่งสมาธิใจลอยนั่งไม่สงบต้องนั่งให้นั่งสมาธิให้สงบต้องใจต้องไม่ลอยใจต้องนิ่งต้องอยู่ในปัจจุบัน ยังขั้นตอนต้องฝึกจิตให้อยู่ปัจจุบันให้หยุดคิดให้รู้เฉยๆคำถามต่อไปจากคุณนัทยาค่ะนามสการพระอาจารย์ค่ะถ้างานที่เราทำเหมือนเหรียนสองด้านถ้าวันหนึ่งเราได้ทำด้านที่ไม่ดีโดยที่เราเลี่ยงไม่ได้เพราะคำสั่งเพราะคำสั่งเราจะทำอย่างไรหรือเลี่ยงจากคำสั่งนั้นอย่างไรดีคะก็อย่าไปทำมันสิลาออกจากงานนั้นไป ถ้ารู้ว่าจะต้องไปทำสิ่งที่ไม่ดีไปหางานที่ทำแล้วไม่ต้องทำในสิ่งที่ไม่ดีมันไม่ใช่งานทุกงานจะต้องทำบาปันเสมอไปงานงานที่ดีก็มีงานที่ไม่ต้องทำบาปก็มีงั้นถ้าเราต้องทำบาปก็ให้คิดว่าผลจากการทำบาปมันไม่คุ้นกับผลลัพธ์ที่เราได้คือรายได้รายได้พอมาจุนเจือปากท้องเรา แต่ใจเรานี้ต้องไปรับผลในนรกนี่มันไม่มันมันไม่คุ้มค่ากันต้องแปอนุบายนต้องไปเกิดเป็นดวงวิญญาณไม่ดีเป็นเปรตเป็นอสูรกายเป็นนรกอย่างไม่คุ้มกับเงินทองที่เราได้มาเอขาดทุนถ้าเรียกว่าทําการค้าก็ขาดทุนถ้าเมื่อขาดทุนเราไปทํามันทําไมใช่ไหมเราต้องทําให้มันกําไรสิ ทำแล้วทําให้ใจเราเป็นเทวดาเป็นสวรรค์ขึ้นมาอย่างนี้ทําไปเดี๋ยวมาทําบุญอย่างเนี้ยจะได้กําไรเสียเงินไปแต่ผลที่ได้มันมันมากกว่าเงินที่เราเสียไปเงินทองนี้ไม่กี่บาทแต่ใจของเรานี่จะไปอยู่ในสวรรค์ต่อไปคําถามต่อไปจากคุณนานาค่ะกราบขอถามเจ้าค่ะ ตอนนี้หนูปฏิบัติธรรมในใจแบบที่พระอาจารย์สอนทุกอย่างแต่ถ้าหนูไม่บวชจะส่งผลให้ชีวิตหนูไหลไปตามทางโลกไหมคะถ้าเราอยู่ใกล้มันเดี๋ยวมันก็ดูดเราได้เพราะฉะนั้นถ้าใจเรายังไม่แข็งแรงอย่าไปเหมือนคนว่ายน้ายังไม่แข็งอย่าไปกระโดดลงในน้ำกระแสน้ำที่มันเชี่ยวเดี๋ยวก็ถูกกระแสน้ำมันพัดพาไปได้ แต่ถ้าเราไหว้แข็งแล้วไหว้ทวนกระแสน้ําได้ก็ไม่มีปัญหาเลยอยู่กับโลกได้แต่ยากน้อยคนที่จะอยู่กับโลกแล้วสาเร็จทุกคนจะสําเร็จก็ต้องหนีโลกออกจากลาําธารน้ำไหลเชี่ยวไปถึงจะไปหาน้ําที่มันไม่ไหลเที่ยวไปไหว้ในในอ่างน้ําในสระน้ําดีกว่าอย่าไปไหว้ในลําธารที่น้ํามันไหลเชี่ยวไหว้ทวนกระแสมันเหนื่อย จะไปไ่ว้ในน้าที่มันนิ่งดีกว่าคนที่ต้องการที่จะดึงใจให้ออกจากโลกก็ต้องไปออกจากโลกไปอย่าไปอยู่ในโลกต้องไปอยู่นอกโลกคือไปอยู่ในป่าในเขาอยู่คนเดียวหรืออยู่กันหลายคนแต่ก็อยู่แบบอยู่คนเดียวเพราะคนที่ปฏิบัติจะไม่คุกคีกันจะไม่ยุ่งกันอยู่กับที่ ของตนปฏิบัติไปอย่างนี้มันจะทำให้ได้ผลเร็วแล้วแต่พอเราหลุดออกจากโลกได้แล้วทีนี้เราก็กลับไปได้กลับไปช่วยคนที่อยู่ในโลกได้พระพุทธเจ้าตอนต้นก็ออกไปอยู่หกปีด้วยกันไปแสวงหาวิมุตติพอหลุดพ้นแล้วหกปีแล้วบรรลุแล้วทีนี้ท่านก็มาเข้ามาเกี่ยวข้องกับทางโลกแล้ว ท่านท่านรู้จักวิธีปฏิบัติกับทางโลกท่านไม่ยึดไม่ติดท่านมาแบบหยดน้ำบนใบบัวเห็นอะไรมันจะไม่ดูดซึมกันเข้าไปมาเพื่อทำประโยชน์มาทำกิจคือมาโปรดสัตว์เอาธรรมะอันประเสริฐมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจโดยที่ไม่ได้หวังอะไรเป็นผลตอบแทนอันนี้ทาให นี่คือการเกี่ยวข้องกับทางโลกหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหลุดพ้นจากการติดอยู่ในโลกนี้แล้วก็กลับมาเกี่ยวข้องกับโลกได้แต่ช่วงที่ยังมีความติดกันอยู่นี้ถ้ายังอยู่ในโลกมันจะตัดยากมองเห็นลูกก็บอกเป็นบ่วงขึ้นมาแล้วพอลูกได้ข่าวว่าลูกเกิดมาปั๊บนี้ใจก็รู้สึกมีความผูกพันขึ้นมาทันทีอุทานออกมาว่าลาหุน ราหุนภาษาบาลีแปลว่าบ่วงลูกชายก็เลยได้ชื่อราหุน ช, ชื่อวบวชื่อบ่วงถ้าเป็นภาษาไทยก็คือไอ้บ่วงแต่เป็นภาษาภาษาบาลีแล้วก็เรียกว่าพระราหุนเพราะเป็นราชโอรสจะไปเรียกไอ้บ่วงไม่ได้หุนแต่ความหมายก็คือบ่วงนั่นเองบ่วงที่จะรัดใจของพระเจ้าให้ติดอยู่ในโลกนี้ต่อไป เลยต้องปีกวิเวกต้องออกไปหาที่สงบอยู่คนเดียวเพื่อบําเพ็ญคําถามต่อไปจากคุณพิสิทธิ์ค่ะกลับยินถามพระอาจารย์ครับหลังหลังจากที่เราทิ้งคำบริกรรมแล้วขอถามพระอาจารย์ว่าเราควรจะกําหนดจิตไว้ที่ฐานจิตอย่างเดิมหรือปล่อยจิตให้ล่องลอยไปครับ อ, อ๋อเราไม่ควรทิ้งอ่ะทิ้งไม่ได้ทิ้งพุทธโธไม่ได้อย่าทิ้งคำบริกรรมไม่ได้ต้องให้มันทิ้งเราเราอย่าไปทิ้งมัน มันจะทิ้งเราตอนที่มันนิ่งพอจิตรวมสงบปั๊บมันมันจะหยุดบริกรรมจะสั่งให้มันบริกรรมมันไม่บริกรรมแล้วเพราะมันนิ่งแล้วมันสงบแล้วแต่ถ้ามันยังบริกรรมได้อยู่อย่าไปทิ้งมันพอทิ้งมันแล้วก็เราก็จะไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเดี๋ยวกิเลสมันก็จะออกมาดึงจิตใจไปให้วุ่นวายต่อไปจะไม่มีทางที่จะสงบได้ยันถ้าเราใช้คาบริกรรมอย่าทิ้งคาบริกรรม ถ้าเราใช้การดูลมหายใจอย่าทิ้งการดูลมหายใจให้มันทิ้งเราพอจิตสงบแล้วมันก็จะยากมันก็จะทิ้งเราไปคำถามต่อไปจากคุณพีโก้ค่ะ ส, ส, สังขารสังขารสังขารขันของพระเอริยบุคคลมีการปรุงแต่งหรือไม่ครับนี่เนี่ยสแสดงธรรมก็ต้องใช้สังขารความคิดปรุงแต่งแต่ไม่ได้ปรุงแต่งด้วยกิเลสตัณหาปรุงแต่งด้วยธรรม ขันของพระพุทธเจ้าตอนก่อนเป็นพระพุทธเจ้ากับตอนที่ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นขันนันเดียวกันเป็นเครื่องมือไงขันเป็นเหมือนมีดเนี่ยมีดตอนที่เป็นโจรมันก็จะเอาไปฆ่าคนฮะแต่พอมาบวชเป็นพระมันก็เอามาตัดไม้มาทำไม้จิ้มฟันมาอะไรมพระก็ยังต้องใช้มีดอยู่เนี่ยสมัยโบราณนี่พระทำไม้แปลงฟันไม้ชาระฟันเองเพราะสมัยก่อนไม่มียาสีฟันไม่มีแปลงสีฟัน ท่านก็จะไปตัดไม้มาทำเป็นยาไม้ไม้จิ้มฝันปลายหนึ่งแหลไมไว้สำหรับจิ้มฝันอีกปลายหนึ่งจะเป็นขนไว้สำหรับมาชำระฝันท่านก็ต้องใช้มีดแต่ท่านไม่ได้ใช้มีดไปในทางที่ไปทำร้ายผู้อื่นท่านเอาเอามีดมาทำคุณทำประโยชน์ขันห้าก็เหมือนกันขันห้าตอนที่ยังอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสกิเลสก็เอาไปใช้เอาไปพาไปกินเหล้าเอาพาไปเที่ยวไป มีเมียน้อยมีผัวน้อยอันนี้ก็สังขารพาไปทางนั้นความคิดแต่พอบรรลุธรรมแล้วตัดความลฆ่ากิเลสตัณหาหมดแล้วก็ไม่มีกิเลสที่จะดึงเอาไปทำแบบเดิมก็มีแต่ท ร, ร ม, มีแต่ความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาธรรมนี้ก็เอามาดึงสังขารมามาโปรดสัตว์ก็ต้องใช้ความคิดเหมือนกันเป็นแต่คิดพิด คิดไปในทางธรรมคิดให้คนเห็นทรรู้ธรรมปาหลานกับพระทธเจ้าก็มีขันห้าทั้งตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เป็นและตอนที่เป็นแล้วก็ยังมีขันห้าอันเดิมอยู่เพียงแต่ว่าผู้ที่ใช้ขันห้าเปลี่ยนไปจากคนที่เมาแล้วขับมาเป็นคนที่ไม่ดไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มเหล้าแล้วขับก็แค่นั้นเองขันห้าเป็นเหมือนรถยนต์ คนขับจิตใจก็เหมือนคนขับคนขับที่มีกิเลสก็เหมือนคนเมาแล้วขับคนที่ไม่คนที่ไม่กินไม่มีกิเลสก็คือคนที่ไม่กินเหล้าแล้วขับรถเนี่ยลผลต่างกันยหมคนที่ไม่เมาแล้วขับนี่ก็พาผู้โดยสารไปสู่ที่ปลอดภัยได้ส่วนคนที่เมาแล้วขับก็พาผู้นะผู้โดยสารไปสู่โรงพยาบาลหรือไปสู่วัด <laughs> คำถามต่อไปจากคุณคมเกรดค่ะขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์พระอาจารย์ครับในการนั่งสมาธินั้นจิตจำเป็นจะต้องตกภวังหรือไม่และการตกภวังกับการไม่ตกทวผวังมีความแตกต่าง ก, กันอย่างไรครับคือการตกภวังก็คือการเข้าสู่ความสงบไงเขาใช้ภาษาว่าตกภวังแต่นั้นจริงๆก็รวมเข้าสู่ความสงบเขาเรียกว่าตกภวัง ก็นั่งสมาธิก็เพื่อให้มันสงบแล้วมันจะมาถามว่าจำเป็นไม่จำเป็นได้ไงนั่งก็เพื่อให้มันสงบมันก็ต้องทีนี้มันจะสงบหรือเปล่าทั่นไม่ใช่ว่าเราจะไปสั่งมันได้ว่าเลือกมันได้ว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นอยากมันจำเป็นเน่ยแต่ถ้าแต่มันไม่ยอมสงบจะทำยังไงมันมันอยู่ดีๆมันไม่สงบง่ายมันไม่ตกผวางง่ายถ้าสติไม่มีกำลังมากพอมันไม่ตก เ อ, อาพุโทโธอยู่ได้สองคำก็แวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่อง น, องนี้อย่างนี้ไม่มีวันที่จะตกภวังได้จะตกได้ต้องมีแต่พุโทโธอย่างเดียวไปสี่ห้านาทีเท่านะั้นตกปวังได้พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างเงี้ยไปลองทําดูเลยห้านาทีไม่มีเรื่ององื่นมาคิดเลยเนะี่ยเดี๋ยวมันจะตกปวังให้ดูเองตกปวังก็เหมือนตกจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ําเหมือนตกหลุมตกบ่อเอ่ะวูบลงมา แล้วก็นนิ่งสงสสบบเยยีามความสุขำถามต่อไปจากคุณจักพันค่ะโยมเคยนั่งแล้วเห็นอะไรต่อมีอะไรแต่พอมาตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยและนั่งไม่ได้อีกเลยค่ะมีวิธีแก้แบบไหนคะก็ไม่บอกว่านั่งแบบไหนแล้วจะบอกให้เราแก้ได้ยังไง mm hmm. ถ้านั่งเห็นนู่นเห็นนี่ก็แสดงว่าไม่มีสติถ้านั่งแบบมีสติจะไม่เห็นอะไรแต่จะนิ่งจะสงบ ถ้านั่งไม่เห็นอะไรแล้วแต่นั่งไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีสตินั่งแล้วจิตไม่สงบจิตก็อะไรหงุดเหงิดอึดอัดก็เลยไม่อยากจะนั่งเห็นถ้าจะนั่งให้ถูกต้องมีอะไรมาควบคุมใจต้องมีพุทโธพุทโธไปหรือมีการดูลมหายใจไปจิตถึงจะเข้าสู่ความสงบได้แล้วจะไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรไม่จําเป็นจะต้องเห็นไม่ต้องรู้อะไร คำถามต่อไปจากคุณจูค่ะการซื้อลอตเตอรี่เป็นบาปไหมคะผลที่จะได้รับคืออะไรคะลอตเตอรี่ก็คือกระดาษใบหนึ่งจะบาปตรงไหนนะมันก็เป็นเพียงกระดาษเป็นสินค้าชนิดหนึ่งอยู่ที่ว่าเรารู้จักประมาณในการซื้อมันหรือเปล่านั่นเองถ้าเราซื้อแบบหวังจะได้รายได้จากมันนี้อันนี้มันไม่บาปแต่มันเรียกว่ามันโง่ะอาจารย์ <laughs> เพราะมันจะเจ๊งมันจะขาดทุนแล้วมันชีวิตจะล่มจมเพราะเงินทองจะหมดอย่างนี้เขาเรียกว่าเล่นซื้อแบบแบบเล่นการพนันไงหวังว่าจะได้ได้มีรายได้จากการซื้อลอตเตอรี่แต่แทนที่จะมีรายได้กับมีแต่รายจ่ายคือเสียถ้าจะเล่นเล่นลอตเตอรี่แบบฉลาดต้องต้องทำสถิติไว้ต้องจดไว้ว่างวดนี้ซื้อเท่าไหร่ แล้วได้กลับมาเท่าไหร่แล้วสิ้นปีลองมาทําบัญชีดูอ่ะปีนี้ซื้อออตเตอรี่ไปกี่หมืน่นแล้วถูกกี่ตังค์แล้วดูซิว่าเอรายรับกับรายจ่ายอันไหนมากกว่ากันเอถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับก็เจ๊งก็อย่าไปเล่นเลิกเล่นถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายก็เล่นต่อไดอ้นี่คือเป็นวิธีเป็นการทํามาหากินแบบหนึ่งต้องมีกฎมีเกณฑ์มีหลักมีเกณฑ์ะ เหมือนกับเราทําการค้าเราก็ต้องมีสมุดบัญชีใช่ไหมเรามีรายรับเท่าไหร่เรามีรายจ่ายเท่าไหร่งั้นเราจะไปรู้เลยว่าเราทําแล้วเรากําไรหรือขาดทุนอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะใช้ลอตเตอรี่เป็นการทํามาหากินก็นําได้ก็ซื้อไปแล้วก็จดไว้สิงวดนี้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วรับมาเท่าไหร่จดไปทุกงวดแล้วสิ้นปีก็มาทําบัญชีปิดปิดบัญชีดูว่าปีนี้ทั้งปีทําอาชีพนี้ กำไรหรือขาดทุนถ้าขาดทุนก็อย่าไปทำมันดีกว่าเดี๋ยวมีคนไปทำเต็ม เ, เลยนะคะวิธีนี้ก็ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนนี่ใช่ไหมแต่มันแต่มันมันมันมันได้ง่ายกว่าเสียหรือเปล่าส่วนใหญ่มันเสียง่ายกว่าได้นะเนี่ยว่าใครจะไปแทงถูกทุกงวดเนนะ่ะถ้าแทางถูกทุกงวดก็ก็เป็นเทวดาทานั้นเองมีตาทิพย์เล คำถามต่อไปจากคุณเคเบลิลค่ะเมื่อนั่งภาวนาอยู่เกิดปวดขามากจนทนแทบไม่ไหวปวดมากแต่ฝืนดูความปวดนั้นจนมันหายปวดไปเลยเหมือนไม่เคยเป็นมาก่อนอย่างอัศจรรย์อย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหมครับถูกแล้วถ้าทำได้ก็แสดงว่าสติเราแข็งมากสติเราไม่ควบไม่ควบคุมความอยากลุกได้ไว้ให้มันนั่งต่อไปปล่อยให้มันเกิดมันดับของมันเองใจเพียงแต่สักแต่ว่ารู้ไป ถ้าทำอย่างนี้ได้ก็เก่งก็สบายต่อไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูมันไปจะไม่ไวุ่วายจะไม่อดควนคลางอะไรจะไม่มีอารมณ์เสียจะมีสติคอยดูมันไปอมันเจ็บก็เจ็บไปมันจะเจ็บไปได้ขนาดไหนไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้อ ง, ม, องมันก็ต้องดับอยู่ดีเมื่อไม่มีอะไรถาวรเท่งแทจะดับแบบไหนท่านหนึ่งดับแบบหายหรือดับแบบ ไม่หายใจเท่านั้นเองมันก็ดับเหมือนกันแต่มันต้องดับอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ใจเราไม่หวั่นไหวใจเราสุขทั้งสองแบบหายก็ได้ไม่หายก็ได้อย่างนี้แสดงว่าใจมีสติคําถามต่อไปจากคุณจูค่ะภายหลังจากที่ปฏิบัติธรรมและทําให้ไม่อยากอยู่ในที่เสียงดังคนมากๆไม่อยากคุยในเรื่องทางโลกชอบอยู่คนเดียวค่ะถือว่ากิเลสครอบงำไหมคะ จะข้อบงมก็ตอนเวลาเราต้องอยู่แล้วเราหงุดหงิดเราไม่พอใจแต่ถ้าเราต้องอยู่กับมันเรายังไปหาที่เงียบไม่ได้เราก็ทำใจเฉยๆไปก็ไม่เป็นกิเลสนะคัเฉะนั้นเราต้องมีเหตุมีผลอย่าใช้อารมณ์ถึงแม้ว่าการอยู่ที่สงบมันดีแต่บางเวลาบางโอกาสเรายังไปไม่ได้เรายังต้องอยู่กับที่วุ่นวาย เราก็ต้องอย่าทําให้ใจเราหมุเหงิดกับมันทั้งหมุเหงิดก็แสดงว่าเป็นกิเลสพราะมีความอยากให้หนีมันไปอยากให้ความวุ่นวายหายไปแต่ทําไม่ได้มันก็เลยเกิดความหมุดหงิดตำคานใจขึ้นมาอย่างนั้นก็เป็นกิเลสแต่ถ้าเรารู้ว่าตอนนี้เรายังต้องอยู่ตรงนี้ยังต้องทํางานอยู่ต้องยุ่งกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไหวให้มันยุ่งไปแต่ใจเราอย่าไปยุ่งกับมันนั้นเองเราอย่าไปอยากให้มันไม่ยุ่ง มันยุ่งก็ยุ่งไปแต่ใจเราเฉยๆไปถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นกิเลสค่ะคำถามต่อไปจากคุณแจ็กสันค่ะท่านอาจารย์ครับพอข้ามเวทนาไปจิตมันนิ่งไปทันทีในตอนนั้นไม่มีสังขารความคิดมีแต่รู้อยู่ไม่มีด้านบนด้านล่างด้านหลังไม่มีร่างกายลมหายใจนานถึงสีชั่วโมงจึงเริ่มกลับมาเหมือนเดิมแบบนี้ถูก ห, หรือไม่ครับถูกแล้วล่ะ พยายามทำบ่อยๆให้มันชํานาญต่อไปเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไปกับเวทนาเวลามันเกิดเจ็บอาการปวดตามร่างกายก็เฉยๆได้ไม่รู้สึกทุกข์ไปกับมันแต่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามในการรักษาถ้ารักษาได้ก็รักษาไปในช่วงรักษาถ้ามันยังไม่หายก็ปล่อยมันเจ็บไปแต่ใจจะเฉยแบบที่ที่ได้ฝึกมา ใจจะไม่เกิดความอยากให้มันหายเมื่อมันยังไม่หายถ้าไปอยากให้มันหายมันก็จะวุ่นขึ้นมาเมื่อมันยังไม่หายก็อยู่กับมันไปมันหายก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาอยู่ดีเพราะโลกนี้มันเป็นเรื่องของของมันมันจะต้องเป็นกลับมาเยี่ยมเยียนเราอยู่เลยแต่เราก็พร้อมที่จะรับมันอยู่เสมอเมื่อรู้วิธีต้อนรับมันแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนเขามาก็ต้อนรับเขาไปจัดที่นั่งให้เขาไป เขาต้องการน้ําก็หาน้ําให้เขาดื่มไปแล้วก็เราก็อยู่ของเราไปเราก็เป็นเหมือนบ่อยเนี่ยคนที่มากินอาหารสั่งอาหารแล้วก็ถามเขาจะกินอะไรเราก็รับคําสั่งไปแล้วก็ไปสั่งที่พ่อครัวพอพ่อครัวทําเสร็จก็ยกมาให้เขากินไปเขากินแล้วก็ยืนรอเขาไปดูว่าเขาจะสั่งอะไรอีกเมตนาก็แบบนี้เดี๋ยวมันก็สั่งเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็เจ็บเด๋ยมันก็ปวดอ่ามันเจ็บมันก็ปวดแล้วก็รับรู้ไป ถ้าเราซ่อมได้แก้ได้ก็แก้ไปกินยาได้ก็กินไปถ้ากินไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปเท่านั้นเองถ้าใจเราได้ฝึกมาแล้วมันจะไม่โไวยไวายมันจะไม่ไวุ่นวายใจคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกราบเรียนถามหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อสองปีก่อนลูกเคยให้คนรู้จักยืมเงินไปผ่อนรถพอมาปีนี้ลูกไปทวงถามเขา ใชให้ใช้คืนเขาบอกว่าเงินเมื่อสองปีที่แล้วแล้วยังมาทวงอยู่หรือนึกว่าลืมไปแล้วแล้วให้ลูกแล้วลูกให้เขาหามาใช้คืนแล้วเขาก็เอาเงินมาใช้คืนแต่มันเป็นเงินที่เขาเอามาไม่สุจริตค่ะลูกรับมันมาจะบาปไหมคะหลวงพ่ อ, อ, อไม่บาปหรอกเงินมันเป็นเงินมันไม่ใช่สุจริตหรือทุจริตที่เงินมันสุจริตหรือทุจริตที่ใจของคนหาเงินมา เงิในใจเขาทุจริตใจเขาก็จะไปรับผลแต่เงินนี้มันไม่มีสุจริตหรือทุจริตเงินมันก็เป็นเงินอยู่ในมือพระอยู่ในมือโยมมันก็เป็นเงินเหมือนเดิมแต่วิธีหามานี่มันจะมีสุจริตหรือทุจริตแล้วมันไม่ได้อยู่ที่เงินมันไปอยู่ที่ใจของผู้หาแล้วใจของผู้หานั้นจะต้องเป็นผู้รับผลต่อไปคำถามต่อไปจากคุณพิธัก ค, ค่ะ กลับนมัสการครับพระอาจารย์ผมได้อ่านหนังสือปฏิปทาพระธุดงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นในหัวข้อการภาวนาที่หลวงตาท่านว่าอารมณ์แห่งกรรมฐานการกําหนดอาการใดอาการหนึ่งเป็นอารมณ์ในขณะภาวนานั้นคืออะไรครับก็พุทโธไงหรลมหายใจเข้าออกอย่างนั้นี่เป็นอารมณ์ที่เราใช้ในการผูกใจไม่ให้ลอยไปตามความคิดต่างๆถ้าเรามีอะไรผูกใจไว้ ความคิดมันก็จะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้เช่นถ้าเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปมันก็จะไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ไม่ได้พอมันไม่คิดใจก็จะสงบพุโทโธก็จะทำให้ใจสงบพอใจสงบแล้วพุโทโธก็จะหยุดไปเองโดยอัตโนมัติ คำถามต่อไปจากคุณนานาค่ะหากจิตใจเราเป็นนักบวชเป็นพระแต่ใช้ชีวิตปกติเหมือนมนุษย์ทางโลกจะได้ไหมคะอยู่ทางโลกแบบปล่อยวางจะสร้างประโยชน์น้อยกว่าบวชไหมคะไม่รู้ว่าควรจะอยู่แบบไหนดีค่ะก็อยู่แบบที่ใจเราอยู่เราจะมาบอกว่าใจเราเป็นนักบวชแต่เราอยู่เป็นคารวะมันก็ขัดกันถ้าใจเป็นนักบวชเขาก็ไปบวชกันถ้าใจเป็นคัรวะเขาก็อยู่เป็นคารวะไป อย่างบางทีกิเลสมันชอบหลอกเราให้เราคิดว่าเราเป็นพระแต่เรายังต้องอยู่ในโลกทําคุณทําประโยชน์อันนี้มันไม่ใช่กิเลสมันจะไม่ต้องการให้เราไปบวชไงมันก็เลยต้องหาวิธีอ้างดึงเราไว้อยู่ไม่ให้เราไปแล้วอยู่ทางโลกดีกว่าทําประโยชน์มากกว่าไปเป็นพระทําเป็นพระไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับใครใช่ช่วงที่ไปบวชเนี่ยมันทําประโยชน์ให้กับใครไม่ได้เพราะเป็นเหมือนช่วงไปเรียนหนังสือ ตอนเข้ามหาหาลานี้ไปทําประโยชน์ให้กับใครได้ให้ไหนก็ต้องไปเรียนอย่างเดียวพอได้ประริญญามาแล้วทีนี้ก็ค่อยไปทําประโยชน์ต่อไปพระพุทธเจ้าก็เรียนหกปีพอเรียนหกปีแล้วก็มาทําประโยชน์อีกตัง้งสี่สิบห้าปีแต่ถ้ายังไม่ไปเรียนจะมาทําประโยชน์ได้อย่างไงถ้ายังไม่มีประริญญาจะมาสอนใครได้ยังระวังกิเลสมันหลอกเรากิเลสมันไม่ชอบไม่เราไปบวด แต่มันชอบยกย่องแล้ ว, ว่าจิตใจเราเป็นนักบวชนะแต่เราถ้า เ, เราควรจะทำประโยชน์ให้กับโลกดีกว่าที่จะไปเป็นนักบวชนะถแสดาวกาโดนกิเลสหลอกเรา คำถามต่อไปจะคุณสีสมัญญาค่ะกราบนมัสการเจ้าข่าพระอาจารย์พอดีที่บ้านมีกระมังใส่น้ําให้สุนักกินแต่พอดีลูกน้ำอยู่ในกระมังเพื่อจะเปลี่ยนน้าให้สุนัขเลยเทน้ําที่มีลูกน้ําลงบนพื้นให้มันลงท่อระบายน้ําและเอาน้ําราดตามไปลูกจะบาดไหมเจ้าคะก็ไม่รู้มันจะตายป่ะถ้ามันตายก็บาดวิธีที่ง่ายก็คือหากระป๋องมาถ่ายมันสิถ่ายเอาสา น้ำที่มีตัวสัตว์ใสกระป๋องกระแปงแล้วก็ไปเทในลำลำห้วยลาําธารอันนี้เทไปในท่อระบายเดี๋ยวพอน้ํามันไหลไปหมดไอตัวลูกน้ํามันก็ที่มันอยู่มันก็ไม่มีน้ําไปด้วยมันก็ตายเท่านั้นเองนี่เป็นวิธีแก้ปัญหาแบบแบบง่ายแบบมักง่ายถ้าต้องแก้ปัญหาให้มันได้ผลได้ประโยชน์ก็ต้องต้องถ่ายมันถ่ายภาชนะที่เราจะให้เลี้ยงหมานี่ที่มี ตัวสัตว์นี้เราก็ถ่ายเข้าไปอีกภาชนะหนึ่งแล้วเอาไปเทใส่ในลําห้วยลําทานหรือลําคลองที่ไหนครับให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างนี้ไม่บาปนะแต่ถ้าเราอยู่ดีๆก็เทมันลงไปแล้วก็ไลเอาน้ําศาสตร์ไล่ตามมันไล่ไปเท่าไหร่มันก็มันไม่ได้อยู่อ่ะน้ํามันไหลไปหมดเดี๋ยวในใยช้าก็เร็วมันก็ไม่มีน้ําให้มันอยู่อ่ะ คำถามต่อไปจากคุณเกียรติศักดิ์เกียรติศักดิ์ค่ะทำบุญกับพระทั่วไปกับทำบุญกับพระสุปฏิปันโนหรือพระอรหรันได้บุญเท่ากันไหมครับก็บุญมีสองแบบไงบุญที่เกิดจากการเสียสละนี้ทำกับใครก็เท่ากันแต่บุญที่จะได้รับจากผู้ที่เราไปทำด้วยนี้ไม่เท่ากันบุญถ้าทำกับพระอรหรันก็ได้ธรรมะระดับพระอรหันถ้าทำบุญกับพระธรรมดาก็ได้ธรรมะระดับธรรมดา อย่างนั้นอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการบุญที่เกิดจากการเสียสละทำแล้วมีความสบายใจทํากับใครก็ได้แต่ถ้าเราต้องการธรรมะเป็นผลตอบแทนเราก็ต้องไปหาพระที่มีธรรมะเป็นผลตอบแทนให้กับเราก็มีสองบุญด้วยการเวลารทําบุญบุญที่เกิดจากการเสียสละกับบุญที่เราได้รับจากผู้ที่เราไปทําบุญด้วยเอาคําถามสุดท้ายเนอะค่ะคําคถามจากคุณจูค่ะ การที่เราปฏิบัติธรรมหากเราหวังผลนิพพานจริงไหมคะที่จะมีมานมาขวางแล้วถ้ามีมานนั้นคือพยามานหรือจิตเราคะคือหวังไม่หวังปฏิบัติมันต้องมามีมานต้องมาแน่เนี่ยเพราะการปฏิบัติธรรมนี้มานมันจะต้องมาคอยขวางใจเราจะหวังไม่หวังความจริงมันใครปฏิบัติแล้วไม่หวังวทุกคนปฏิบัติมันก็ต้องหวังผลงนั้นถึงปฏิบัติกัน นั้นอย่าไปกังวลว่าเราปฏิบัติแล้วเราหวังผลแล้วจะมีมารไม่หวังผลมันก็มีนั้นขอให้ปฏิบัติไปเถิดแล้วถ้าเราเอาธรรมะมาสู้กับมันทำย่อมชนะอาธรรมยอมทำย่อมชนะมารแต่เราต้องเจอมันแน่ๆเราอย่าไปกลัวมันขอให้เราสร้างอาวุธมาทําลายมันคือธรรมของพระพุทธเจ้าเท่า น, นั้นคือสติธรรมเนี่ยตัวสําคัญที่สุดถ้าเรามีสติธรรมแล้วมารมันไม่ก้อค่อยกล้าเข้ามาเท่าไหร่ ถ้าเราไม่มีสตินี่ตัวมารมันเข้ามาทุกรูปแบบเลยมาทางตามาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางความคิดอะไรมันเข้ามาหมดพอมีสตินี่มันไม่มันเข้ามาไม่ได้ยัไงไม่ต้องไปกลัวมารกลัวการไม่มีธรรมดีกว่าพยายามสร้างธรรมขึ้นมาพอมีธรรมแล้วมารจะมามันมารจะสู้ธรรมไม่ได้แล้วมารก็จะถูกกาจัดไปหมดเอาล้นะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา